ปฏิบัติธรรมเพ่งเกินไปมักจากการจริงจังกับชีวิตมากเกินไปเมื่อเกินงามมักมาจากการดูดายชีวิตมากเกินงามมีสติรู้พอดีมักมาจากการมีศิลปะกับชีวิตที่พอดีคนจริงจังกับชีวิตมักปฏิบัติธรรมไม่ได้ดีคนดูดายชีวิตมักปฏิบัติธรรมไม่คยได้ การปฏิบัติธรรมคือการทำสติให้เจริญด้วยการขึ้นบันไดทีละขั้นเริ่มจากขั้นที่ทำไม่มีจุดศูนย์กลางใหญ่อันเป็นที่ตั้งในการมีสติรู้แล้วค่อยๆขยายวงจนเกิดสติรู้ทั่วพร้อมในที่สุดรู้เพื่อเห็นว่าไม่มีส่วนใดในกายใจที่คงเดิมรู้เพื่อเห็นว่าไม่มีส่วนใดในกายใจเป็นตัวตน รู้เพื่อทิ้งตัวทิ้งตนออกให้หมดรู้เพื่อไม่เผลอเอาสถานะทางสังคมเข้ามาแทนรู้เพื่อทำลายต้นเหตุทุกข์ให้สิ้นไปปฏิบัติเพื่อเจริญสติปัฏฐานสี่ตามพระพุทธเจ้าโดยเริ่มจากการตั้งมุมมองความเห็นถูกเรียกว่าตั้งต้นกันด้วยสัมมาทิฏฐินอกจากเห็นให้ถูกยังต้องเพียรให้มากพอ และต่อเนื่องแบบสัมมาวายามะซึ่งไม่ค่อยมีใครพูดถึงกันถ้าเพียนมากเกินไปจะกลายเป็นเพ่งจะเอาดีจิตที่ยึดแน่นเกินไปไม่อาจมีปกติเพื่อรู้เพื่อปล่อยกลายเป็นเพื่อรู้จะเอาอะไรให้ได้อย่างหนึง่งแต่ถ้าเพียนน้อยเกินไปจนกลายเป็นปล่อยเลยตามเลย จิตก็มือเกินงามไม่อาจมีปกติเป็นจับจุดรู้จับจุดพิจารณากลายเป็นรู้เพื่อออกเอาหาฝั่งไม่เจอต่อเมื่อเพียรพอดีจนกลายเป็นรู้ได้เป็นปกตินั่นเองจิตจึงรู้ว่าขณะ น, นี้กำลังมีอะไรเด่นเด่นให้รู้ก็รู้อันนั้นก่อนรู้ว่ามันกำลังแสดงความไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเดิมหรือแม้มันคงรูป ก็รู้ว่าไม่ใช่ตัวของใครไม่มีการยึดว่าสงบถึงจะดีไม่มีการรังเกียจว่าฟุ้งซ่านถือว่าเลวพวกเพ่งเกินไปมักมาจากการเป็นคนจริงจังกับชีวิตมากเกินไปพวกเหม่อเกินงามมักมาจากการเป็นคนดูดายชีวิตมากเกินไปพวกมีสติรู้ได้พอดี มักมาจากการเป็นคนมีศิลปะกับชีวิตที่พอดีรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวผ่อนหนักผ่อนเบาจนเกิดความกระจ่างว่ารู้ชัดพอดีเป็นอย่างไร